โทรมาใช่ไหมรอหน่อยได้ไหมถ้ายังไม่ตายถ้ายังสบายเดี๋ยวมารับสายมีเรื่องด่วนไหมหรือมีเรื่องปวดใจจะช่วยยังไง งไงรอหน่อยเป็นไงเดี๋ยวมารับสายโทรมาใช้ไหมรอหน่อยได้ไหมถ้ายังสบายถ้ายังไม่นอนเดี๋ยวมาคุยกัน ให้ช่วยอย่างนั้นให้ช่วยอย่างนี้ก็โทรมาวันลังเธอบอกว่าดีเธอเป็นของฟรีจะกินอะไรจะชวนไปไหนก็โทรมา เดี๋ยวมารับสายโัวมาใช้ไหมรอหน่อยได้ไหมถ้ายังสบายถ้ายังไม่นอนเดี๋ยวมาคุย